ใครจะดา่าพระรหันด่าครูบาจารย์เนี่ยต้องระมัดระวังเนะเป็นบาปเป็นกรรมเนละพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานะในครั้งพุทธการนะพระสัมภูกะสัมภูกะเป็นดีลถีในกรุงราชสกแต่ก่อนหน้านี้สัมภูกนะเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะสมัยนะั้นอายุยืนสองหมื่นปี ในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กุกุสันโธองค์หนึ่งโกณคัมโ น, นงปโปองค์หนึ่งกัจจปองค์หนึ่งโคตโมองค์หนึ่งอริยะเมตโยองค์หนึ่งอริยะเมตโยก็คือพระศรีอารเนี่ยยังไม่มาตรัสแต่พระโคตโมก็ ค, คือองค์ของเราปัจจุบันเนี่ยอายุร้อปีเป็นอายุไข่พระกัจจปโอเนี่ยอายุสองหมืนปีเป็นอายุไข่เหโกณคัมโนปุกุสันโธ ไปว่า5องค์ในพัตตะกับนี้แต่ว่าสัมภูกาเนี่เป็นพระบวชในสำนักในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะอายุยืนสอง0 0ื่ปีทีนี้ท่านก็ตั้งสำนักอยู่ในป่าเป็นวัดอยู่ในป่าสำนักท่านก็อยู่องค์เดียวก็มีโยมอุปธรรมประถับโยมเศรษฐีบ้านนอกเหมือนกันเถอะดูแลอุปธรรมประทับสร้างวัดให้ท่านคือเขาอยากจะได้บุญเหมือนน ท, ท่านก็อยู่กับโยมน่ะ ต่อมามีพระองค์หนึ่งเข้าไปเป็นพระอาหารหันต์องค์เนี่ยเดินทุดงไปไปก็ไปเห็นญาติโยมคนนั้นก็นเห็นบัดโยมอุปถากบัวัดโอ้พระคุณเจ้ามาดีเออมาอยู่ที่วัดของกับผมกับดีละอยู่กับพระของกับผมหลวงพ่อของกับผมเนี่ยสององค์บัด น, นีนิมนต์เข้ามาฉันในบ้านของกับผมญาติโยมเห็นก็เลยเออท่านเดินทุดงมานาน ผมของท่านก็ยาวแล้วนี่เออเอาเอาช่างปรงผมมาปรงผมให้ท่านเออช่างมาปรงผมเพราะผมท่านยาวเพราะท่านเดินทุดงมาแล้วก็ผ้าของท่านก็เก่าแล้วนี่เอาเปลี่ยนผ้าให้ท่านเออแล้วก็เอานิมนต์ท่านฉันปัะตาหารแล้วก็ขอนิมนต์ท่านไปพักที่กุฏิที่ผมสร้างเอาไว้แต่ผมจะให้เขาทําเตียงไปถวายท่านให้ท่านได้พักผ่อนนอนสบาย ยกเตียงไปให้เพราะ ง, งั้นเอาคนใช้ยกเตียงไปให้ขอให้ท่านพักใน ว, วัดของกับผมนะถ้าตอนเช้าก่อ น, นิมนต์มาบินทบาทที่บ้านของกับผมกับผมจะถวายพัตถารพระสองรูปท่านก่อนหนิงเฉยรับเพา ง, งั้นเถอะทีนี้พอฉันจหัหารเสร็จแล้วก็ส่งมาวัดแต่องค์เจ้าอาว่า น, นี่ชนอยู่ในใจอิจฉาว่ันเดียวไปโมโหเพา ง, งั้นเถอะ ว่าเนี่ยโยมเอาใจพระพี่มาใหม่เนี่ยเราอยู่ที่นี่เขาไม่ประวัลนาอย่างนี้องค์ที่มาใหม่นี่มาญาติโยมเขาเลื่อมใสนับถือกลัวจะมาแย่งตัวเองว่า ง, งั้นเถอะกลัวจะมาแย่งศรัทธาพยายามจะทํำยังไจงจะจะให้พระองค์นี้หนีออกจากวัดโดยเร็วว่า ง, งั้นเถอะพอที้เขามาส่งเรียบว่าพระองค์นี้ก็ไปด่าเลยด่าพระหรหันว่า ง, งั้นเถอะ ท่านไม่ควรจะอยู่ที่นี่อที่ญาติโยมเขาโป่งผมให้ท่านเลยท่านควรจะเอาเส้นตาลเส้นตาลป่งผมอท่านควรจะกินขี้วันน่ะท่านควรจะแก้ผ้าท่านควรจะนอนพื้นแผ่นดินท่านไม่ควรจะนอนเตียงเขาด่าพระน่ะท่านพระรหันต์ก็เฉยอพระองค์นี้เป็นอันถานมาด่าเราท่านก็เฉยเพราะท่านเป็นพระรหันต์ท่านไม่โกรธไม่อะ ถือพยาบาทอยู่แล้วงั้นเะคือด่าสี่อย่างาวันนั้นแต่นี้ก็พอด่าเสร็จแล้วก็กลับไปพอกลับไปพรุ่งนี้เช้าตื่นมากก็จัดสาลาปู ป, ปับไปบินธบาตไม่ไปบอกได้ป่ะนะว่าไปบอกพระอรหรันต์เนไม่ไปบอกพระอรหันต์ท่านท่านก็พักอยู่กุฏิเอ้าเราไปบอกพระเอานั้นไปบินธบาตด้วยกับเราเดยกระฉันอาหาร ของญาติโยมที่ถวายแล้วก็ติดใจอีกจะไม่ไปจากที่นี่อีกท่านเราไม่ไปบอกหรือไม่เคาะระคังนี่เขาก็จะหาว่าเราอิจฉากันเอาเถอะเราจะใช้กลอุบายว่าเราเคาะระคังแล้วว่าองค์นี้ไม่ไปเพที่สุดก็ไปเห็นระคังแล้วนิ้วมือดิดตั้งตั้งตั้งตั้งตังเขาคาะระคังเหมือนกันกเคาะดังก็กลัวองค์นั้นได้ยินเหมือนนเลยคาะดิดตั้งตั้งตั้งตั้งตังเสร็จแล้วกัไปบิดทบะ ปวีณาบาทญาติโยมคนนั้นก็เห็นเอ้าพระคุณท่านมาองค์เดียวเหรอเฮ้ยพระองค์ที่มาเมื่อวาน น, นอนยังไม่ตื่นมืนน่อปานนี่นอนเตียงของโยมนะคงนอนไม่ตื่นหรอกญาติโยมคนนั้นก็เลยคิดเฮ้ยพระองค์ที่เราดูเมื่อวานท่านมีสัมมาคารวะท่านมีศีลโมริตูตหน่าเลื่อมใสยอย่างมากไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คงจะพระอิจฉนะ า, า, ากันแล้วโยมคนนั้นคิดน่ะคงจะพระคงอิจฉากันแล้วสิ เอาไม่เป็นไรแล้วพระคุณท่านผมจัดอาหารไปสองที่ให้ท่านอาจารย์สันจ้ะพอสันเสร็จแล้วผมจะได้เอาห่ออาหารใส่ในบาตรแล้วก็ไปฝากท่านองค์นั้นด้วยท่านคงจะเหนื่อยมั้งเดินทางเหนื่อยให้ท่านไดฉันกรับผมองค์นี้ก็ไม่พูดพอฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยก็เอาอาหารใส่บาตรใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วกัท่านก็เดินมาเดินมาถึงครึ่งทาง ถ้าว่าเอาอาหารดีๆอย่างนี้ไปให้พระองค์นั้นฉันนะมันคงจะไม่หนีจากวัดเราไงว่ะเกรยโยนอาหารทิ้งเข้าป่าเลยแบบงั้นเถอะเนี่ทงโยนอาหารทิ้งเข้าป่าเลยพอทิ้งเข้าป่าเสร็จแล้วก็กลับไปถึงวัดพอกลับไปถึงวัดนี่ไปดูๆซิทำไมาเงียบนักพร้าวนี่ไปยังไงที่ไหนได้ท่านเปิดแหนบเราเหมือนกันท่านบอกโอไม่ได้พระ อ, องค์นี้จะขืนอยู่คงจะสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองอย่างมากเออ ดาเราเนีพอแรงอยู่แล้วถึงเราจะขืนอยู่ต่อไปคงไม่เป็นมงคลกับชีวิตของเขาเราควรจะหนีไปก่อนเราก็เลยหนีไปพอนี้ไปพระ อ, องค์นี่ยไปหาที่นอนของเขาไม่เจอท่นี่งโอ้ท่านคงจะรู้ว่าเราคิดเลือกอะไรอคงจะเป็นพระรหันสจะมังพระ อ, องค์นี่มางี้ยก็เลยคิดนึกเสียวเหมือนกันนั่นแหละท่านบวชมาถึงสองหมื่นปีบําเ พ, พ็ญพศอยู่สองหมืนปี ไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้บาป ก, กรรมที่ด่าพระอรหันต์เนี่ยตกลงอวีจีมหานรกเล ย, ยงั้นเถะพอตกขึ้นมาที่นี่มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาพอรู้เรียนสะกินขี้ตัวเองบัด น, นี่ขายออกมานะ่ยกินเลยพ่อแม่เราไม่รู้จะทำยังไงเอ๊ะมันใหญ่มาคงจะหายมั้งมันเด็กมันคงไม่รู้อะไรเลยตอนี้มันก็เลยกินขี้ตัวเองตลอดเล ย, ยงั้นเถะ ตี้เอาผ้าให้นุ่งก็ไม่นุ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วแก้ผ้าบ้านอ้าวอ่าผในสุดนอนก็นอนกับดินนอนกับพื้นก็ไมได้ไปนอนกับดินหนุนเพราะดาผ้าละหันเด้เออดาอะไรได้รับอย่างนั้นเหมือนกันแอ่ท่านจงนอนที่ดินจะเป็นนอนเตียงของเขาเอ่สมควรนอนดินท่านตัวเองก็เลยเกิดมาชาติเองเลยนอนดินแตน่พ่อแม่ก็เลยเออหตุแ oh, ต่ชีเปืือยเท่านั้นแล้วไม่นุ่งผ้าเอาไปฝากกับชีเปลือยบานนี้ ในศาสนาข่าวนั้นมันมีชีเปลือยเยอะแยะเนะี่ยก็เลยไปฝากไว้กับชีเปลือยพอไปฝากไว้กับชีเปลือยก็เออเอ้ารับพอเป็นลูกคนร่ํารวยใช่ไหมเออก็รับพอรับทีนี่ก็ตามปกติเขาจะโกนผมพวกชีเปลือยกโกนผมแล้วก็จะขุดหลุมลงไปพอขุดหลุมลงไปก็ให้คนที่จะโป่งผมนั้นยืนขึ้นมาดินเพียงคอหนึ่งหาไม้พาดหนีบคอไว้ไว้ทั้งสี่จากนั้นเอาทางมะพร้าวเนี่ยนะเออ พันพันพนผมอ ย, อยาง ก, กระตุกถอนผลด้วยเช่นมะพร้าวอยงนั้นเถอะเออโอ้ยมันเจ็บขนาดไหนผมหัวแดงเถื่ออย่างนั้นเถอะเมื่อกล ถ, ถ, ถอนขนไก่อย่างนั้นอ่ะเอ อ, เ อ, อพ่อได้ดาพ่อลหันอย่างนั้นได้ตัวเองก็ได้รับอย่างนั้นเถอะพอถอนผมเสร็จแล้วเาขึ้นมากิาการคืนมันก็ไปกินขี้ในช่วมอยเก่าได้บาทนี้ต่อไปต่อมาพอบวชก็มาบาดนี่มูไปบินทบาทไปหาอาหารปะ่ะไปบินทบาทไปหาอาหารไปไ ป, ไปเลย ผมไม่กินหรอกอย่างันนน้นนะเอ๊ะองนี้มันกินอะไรอะไรแบบนี่เขาก็เลยเอาชีเปยืยสองสามคนดักซุ่มดูว่ามันมันทําอะไรมันทํำไมไม่มีกินข้าวพอที่สุดพอพอกชีเปอยหมุนนี้ไปหน่อยนึงเท่านั้นไอ้ซัมภูกานี่ก็ย่องแยงลงไปไปปั้นอุจจระในฐานมันเข้าไปกินเอากินเอากินเอากันเถ อ, ะ, อะเอออร่อยเลยอย่างั้นเถอะเออ แต่พวกเราถามว่ามันไม่ตายเลยมันไม่ตายได้กรรมเลยมันใช้กรรมมันไม่ตายเลยเหมือนกับช้างกินหญ้าอย่างนั้น่ะออช้างกินหญ้าทําไมไม่ตายเออพราะมันกรรมของมันเล ย, ยกรรมใครกรรมเราอย่างนั้นะแล้วทีเขาไปกินขึ้นมาพวกชีเปลยทั้งสามสี่คนเห็นโอ๊ยอันนี้มันกินขี้ทำไมพวกมันพวกไม่ไปบ้านคนในสุดหัวหน้าชีเปลยมาโอ้ยไม่ได้ถ้าได้ยินอย่างนี้ คนทั้งหลายก็ก็เจอหาว่าชีปเปลือยกินอุจจระตัวเองเนี่ยตายไล่นิ้วว่ะนี่ยพอไล่นี้ไปสิเนี่ยไปอยู่นน่นแล้วบาดไปอยู่ในที่หินลาดในกรุงลาดจะคือมันเป็นหินลาด อ, อยู่นอกเมืองไอ้ตรงนั้นเป็นว่าแขกขี้วอาลงไปเอคงจะเคยเห็นมา้ไปอินเดียเนี่ยตอนเช้ามา เ, เป็นนั่งอยู่ท้องนานแล้วก็ขาวเหมือนดอกเห็ดเหมือนนเถอะเอ๊ะทาไมแขกออกมาแต่เช้านักหน ไม่ใช่ขี้ธรรมดาที่บอกขี้แล้วก็คุยกันด้วยนะคำว่าขี้คุยขี้คุยนี่เออเนี่ยมันมาจากคำนี้เหรองี้นขี้แล้วยังคุยกันอีกเหมงอนกันเอะเออเออเรียกว่าแขกขี้คุยอย่างั้ยเถอะเออเออแทีนี้เหมือนกันเลยพวกแขกว่าต้องไปขี้ใส่หินลาดอะแต่นี้สมพูการก็เห็นโอ้ทำเลยี่ดีไยชมภูกากรับไปอยู่ที่นั่นแหละอยู่บริเวณนั้นออ ตอนกลางวันตอนสว่างมาเห็นคนมามากอทําถามว่าวาแขนนี่ยอ้าปะกแลกเหยียบขากระด่งยืนขาข้างเดียวนั้นอ้าปากอีกต่างหาคนไปเห็นโอ้โหตัปะแก่เหลือเกินไม่นุ่งผ้าอีต่างหากใช่ไหมเอี่เีเปลือยจะได้ตปะแก่เหลือเกินเอาทําไมท่านไม่เหยียบดินเขาถามเหยียบไม่ได้พอเหยียบแล้วแผ่นดินถล่มโลกนี่แตกเลยเหมือนกันพเพราะเราเหยียบขาเดียวพอเหมนกันเอาทําไมท่านจึงอ้าปาก ข้าพเจ้ากินลมก็พอไม่ได้ไปกินอย่างอื่นเหมือนกันเออคีคุยจังหักได้เหมือนไงมาแขกมันชอบคี้คุยได้แต่เด็กเขาโอ้โหศรัทธาเคาเรพเลื่อมใสนับถือใครเอาเนมเอาเนยเอาเน้ำผึ่งมาให้เอายาคามาจิ้มปับ๊บแตะใส่ปลายลิ้นนั่นแหะเอาไปไ ป, ไปพอละอาตมาไม่ฉันหรอกฉันเพียงแค่นี้พอเลโอ้ลูกศิษย์ลูกหาบมากมายเลยท่านนี่แต่พอตกลางเคินมาเนะี่ย พอเหยียดขาลงไปไปนู่นน่ะไปหากินขี้เขาที่เขาถ่ายเหมือนกันเถอะเน่แหละอันนี้คือชีวิตของสัมภูกะอายุธอยู่ที่นั่นถึงห้าสิบห้าปีเนี่ยใช้กรรมอยู่นั่นนะ่ะห้าสิบห้าปีแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนามองดูสัตวโลกก่อนจวนสว่างสัมภูกะเข้ามาในพยานของพระองค์คือเข้ามาในจอเรดาร์ของพระองค์เหมือนกันเถอะ เออคือพระพุทธเจ้าท่านมองจอเรดาร์ไปหมุนไปเรื่อยนะเลยสัตว์โลกมนันไปตอนนีไ้ไปเห็นสัมภูกะเข้ามาในจอเข้ามาในยานของผมเออสัมปูกะมีอะไรเออสัมภูกะเขาทํากลับมาไว้แต่เขาจะหมดกรรมแล้วอันนี้สงทานศีลภาวนาของเขาเนี่ยแก่กล้าแต่ว่าเขาได้รับกรรมเพราะอาดีตเขาได้ทําได้ด่าพระอระหรันต์แต่าชาตินี้เขาจะได้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่า เขายังเป็นชัมภูกะอยู่เดี๋ยวเราจะไปโปลดเขาวันนี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกพระอนุนั้นเดีพระอนุนไปด้วยได้ไปองค์เดียวเหมือนกันเลยพอเทวดารู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปโปลดชัมภูกะตัวนั้นเป็ติสุกกนะบกเด้่ยเพราะเป็นฐานช่วมของทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันเลยเพราะนเทวดาก็เลยบรรดาให้ฝนตกอย่างแรงสะล้างให้สะอาดหมดเลยเดี๋ยวใ้พระพุทธองค์ก็ไปไปตามลาพัง พอไปเห็นสัมูกะไอซัมปูกะเราจะมาขอพักค้างโดยใดไหมสัมปูกะไม่ได้เพราะกลัวคนอื่นจะเห็นเรื่องของตัวเองเหมือนนเถอะ ไ, ไ, ไม่ได้อ้าวไม่ได้ยังไงเร า, ก, เ ก, าก็เป็นนักพจนท่านก็เป็นนักพจน์เหมือนกันเอานักพจน์ท่านมีอะไรบ้างท่านมีกระติกน้ํำไหมท่านท่านมีหนังมีเสือไหมมีอะไรม้างก็ถามมาเลยเพราะพูดได้ยาวว่ามีแต่เราไม่ได้ถือมาด้วยแต่เราขอพักที่นี่ได้ไหม ไม่ได้แอย่างนั้นเราขอพักที่เงื่อมหินนั่นได้ไหมเออได้อยู่ถ้าจะพักที่นั่นได้แต่ได้พูดองค์กัไปพักที่เงื่อมหินอีกขางไปไม่ไกลเออคนนั้นพวกพุทธเจ้ามีเมตตาขนาดนี้ขนาดสัมภูการ เ, เอ่อกิจอุจจาระตัวเองยังยั ง, ยงมีเมตตาไปสอนมบบนั้นผลในสูตรก็เลยไปพักอยู่ที่นั่นพอกลางคืนมาพรมลงมาเทวดาลงมาพระอินทร์ลงมาแสงสว่างไปหมดเลยเพรุ่งนี้เช้ามาสัมภูกะรก็ไปถามว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี่สมณะ ทำไมแสงสว่างเลือเกิดท่านมีอะไรเฮ้ ย, มมาายราาาพรมมาหาเราเทวดามาหาเราพระอินทร์มาหาเราเมื่อคืนนี่ฮะพรมมาหาเฉลิมเพื่อนสัมภูกะแปลกใจเหมือนใช่ผมอยู่ที่นี่นะผมกินอากาศ เ, เพ่งตะปะไม่เหยียบแผ่นดินพวกผมพวกเทวดาไม่มาหาผมเลยเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเอ้ยสัมภูกะ เธอโกหกคนทั้งแผ่นดินจะมาโกหกเราเหรอเธอนั้นนไปกินอุจจาระของเขาทุกคืนทำไมไม่พูดพอโพธนกกรมหน้าวบเปลี่ยนถพอรู้จักเลยเรายบร้อยยอมลเลยกันเถะพระเถรวงก็เลยเทศให้ฟังพอเทศให้ฟังมีความละอายบาตรนี่พวพระเถรวงก็เลยโยนผ้าอาบน้ําให้ให้หนุ่งกันเขาก็ได้นุ่งผ้าอาบน้ําพอหนุ่งผ้าอาบน้ําเสร็จพระเถรวงก็เทศให้ฟังพอเทศให้ฟังเขาเกิดความเคารพเรื่อมใสนับถือ ขอบวชในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็บอกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเราก่าวดีแล้วเป็นพาะภิกษุจากนั้นเทศให้ฟังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เด้มดกรรมบัดเนี่อพอมดกรรมตีนี้ก็พอสว่างขึ้นมาบัดชาวบ้านลางไหลมาแล้วบัด เ, ออเราไมา่มากร า, าบสัมผูกะทุกวันเน่พราะเขาเลื่อมใสที่เป็นอาจารย์ของเขา พวกญาติโยมเห็นเอ๊ะสัมมาณโค d o กับสัมภูการใครแน่กว่ากันวะใครเป็นอาจารย์ใครแน่วะเออพระพุทธองค์บอกว่าสัมภูการทําความเข้าใจกับเขาซะเขาสงสัยสัมภูการเลยกข้ไปกราบพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นว่าสัมมาณโคดมพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสัมมาณโค d o พระพุทธเจ้าเออเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ลูกศิษย์ของพระสัมนะโคโดกคนทั้งหลายก็เลยโอ้ขนาดสัมภูกะขนาดนี้ยังเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะขนาดไหนเทนี่เออจะได้พุทธองค์ก็เลยเทศให้พวกนั้นฟังพวกนั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถึงพระไตรสถานะคมมีมากเลยที่เป็นลูกศิษย์สัมภูกะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกเน๊ะธรรมปฏิทักถา มาในพระไตรปิฎกไม่ใช่หลวงพ่อพูดเอาเล่นๆ น, นะผลนั่นใครจะด่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาให้ระวังกันแล้วกันนะใครด่าอะไรจะได้รับอย่างนั้นนะได้เห็นไม่สำผูกะด่าสีอย่างก็ได้รับสอย่างใช่ไหมท่านจงถอนปมผมด้วยเส้นตานก็ได้ถอนเลยเหมือนนเถอท่านจงกินอุจจาระตัวเองก็กิกนหนึ่งจริงๆเหมือนกันท่านจงแก้ผ้าไม่ควรจะใช้ผ้าเขาๆนี่ตัวเองก็แก้ผ้าเลยเหมือนน ท่านจงนอนในแผ่นดินไม่ควรจะนอนเตียงของเขาสาภูกะ ก, ก็ได้นอนแผ่นดินพอะนั้นใครจะดา่าพระลหันดา่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องระมัดระวังเลเป็นบาปเป็นกรรมเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อกล่าวตักเตือนสำหรับให้พวกเราสํานึกําเนียดเหมือนกันนั่นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทำกรรมสิ่งไหนไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนอง ยิ่งไปดา่าพระทหารด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมด่าพ่อด่าแม่ก็เถิดนะบาปกรรมมหาศาลเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะเชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงเลตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปบุญมีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเชื่อใครให้นั่งภาวนานะนั่งภาวนาทั้งคืนจิตสงบแล้วไม่ต้องถามใครหรอกทีนี้เออโอ้นรกสวรรค์มีจริงตายแล้วร่างกายเนี่ยตายจริงๆ แต่จิตใจนไม่ตายจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ